มาเกี่ยววัปปนนะเ<ไ>ก็บตัวเก็บสำมรวมตาหูจมูกเป็นกาไม่ดู <c oughs> ไม่ฟังอะไรที่ทำให้เกิดความอยากขึ้นมารูปเสียงกลิ่นรสให้พุทธโทธพุทธโธดึงใจเข้าข้างในเพื่อออกมาจากหลงเชื่อานะคบป่วย น, น พิจารณาเลยเจ้าค่ะ ก, ก็พิจารณาร่างกายว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวเราเราเป็นคนมาครอบครองร่างกายชั่วข้าวเหมือนรถยนต์คันหนึ่งเดี๋ยวมันก็ต้องพังพังกระทิ้งมันไปอย่าไปห่วงอย่าไปเสียดายเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าเราไม่ยึดไม่ติดไม่เราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกาย ถ้าเรายึดติดเราหลงว่าเป็นตัวเราเราก็จะทุกข์าเราอยากจะให้มันอยู่แต่มันต้องไปถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องปล่อยมันมันจะอยู่ก็อยู่มันจะไปก็ไปแล้วเราจะไม่เดือดร้อนําใจให้สงบอย่าไปยึดอย่าไปติดมันจะอยู่ก็อยู่จะไปก็ไปมันจะเจ็บก็เจ็บจะหายก็หาย ักค่าน้อยถวายพระอาจารย์แล้วก็อีกสองเงิถวายค่าน้าค่าไฟค่านี่สงตรงนี้ได้ไม่ได้ต้องไปถวายที่สำนักงานที่สานักงานที่คุณอยู่ะเวลาคุณไปค้นกุญแจเขาคุณก็ไปให้เขาแยกออกไปนะเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเราจ่ายค่าน้าค่าไฟแล้วเอาใบ ออกกไม่ไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้ไ ม, ไ, ดไม่จ่ายตรงนู้นเดี๋ยวเวลามาคราหน้าก็จะไม่ให้อยู่เ <c oughs> พะว่าเขาเก็บหกสิบบาทถ้น้อยคิดว่ามันน้อยเกินไปก็ยัง เ, เพิ่มอั น, น้ค่ะลงทะเบียน <c oughs> เวลามาอยู่เขาให้ลงทะเบียนค <c oughs> ่าลงทะเบียนหกสิบบาท <c oughs> ส่วนค่าน้ำค่าไฟแล้วแต่ศรัทธา <c oughs> เวลาจะกลับบ้านก็ให้เขาไป <c oughs> อันนี้ที่ที่บัต น, นะที่ข้างล่าง ที่ข้างบนที่ป่าไม้เขาก็มีราคาสามร้อยสี่ร้อยสามร้อยและสี่รอยตอนที่ตอนที่ลงทะเบียนใช่ไหมคะไปชาระตรงนั้นเวลาคุณไปเคยกุญแจเขามีกุญแจเปล่าเขาให้กุญแจให้จ้ะเวลาไปเคยกุญแจเขาก็เขามีตู้ให้หยอดอ๋อมีใส่ตู้ได้นะจ้ะก็หยอดใส่เข้าไปในตู้ถ้าเป็นที่วัดเขาก็ให้ทําบุญตามศรัทธาได้ ที่บ้านป่าไม้นี่มันไม่ได้เป็นวัดเพราะว่ามัน เ, เป็นของป่าไม้แล้วก็ไม่มีคนทำบุญเหมือนกับคนทำที่วัดก็เลยต้องขอร้องให้เสียค่าดูแลรักษา่าน้ำค่าไฟงๆถ้าปล่อยให้ตามศรัทธาเดี๋ยวมันอาจจะไม่พอเดี๋ยวมันจะจะไม่มีที่อยู่กัน ก็เลยต้องช่วยกันบำรุง wow ร Ai ักษาจะได้อยู่ไปนานๆจะได้ใช้ไปได้นานๆหกสบาทถ้าน้อยก็ว่าน้อยเกนไปเจ้าค่ะอันนั้นไม่ใช่เป็นค่าน้ำค่าไฟเาเ็ค่าลงทะเบียนค่าน้ำน้อยก็ให้ไปเส่ทักหมื่นหนึ่งก็ได้เขาไม่ว่าหรอกเขาไม่ห้ามนี่เขาให้หกสิบาทสาหรับค่าลงทะเบียน เขาต้องทาทำบัญชีเก็บไว้ว่าเป็นใครมาจากที่ไหนอันนี้เขาก็มีค่าใช้จ่ายส่วนค่าน้าค่าไฟเขาก็ไม่บังคับให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้แล้วแต่ศรัทธาเพราะที่วัดก็มีคนอื่นทาบุญอยู่เป็นปกติอันนี้พูดที่ต้องพูดเพราะว่าเดี๋ยวคนที่อยู่ที่ป่าไม้่จะไม่ทราบคิดว่าเป็นอันเดียวกัน ที่ข้างลางที่วัด น, นี้เขามีที่อยู่ให้อยู่ข้างละเจ็ดวันนุ่งขาวห่มขาวที่พักเป็นแบบเป็นหอพักหอรวมหอพักรวมแบ่งเป็นห้องห้องห้องหนึ่งก็มีห้องน้ำอยู่ในตัวแล้วก็ที่ผู้ที่มายอยู่ก็อยู่ได้ข้างละไม่เกินเจ็ดวันต้องนุงง่งขาวห่มขาวถือสีบแปดลงโบสถเช้าเย็นไหวพ้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ อันนี้เป็นกิจวัตรของอุบาสิกาและอุบาสกที่พักอยู่ที่วัดยานก็จะมีที่พักให้และเวลามาเขาก็ให้ลงทะเบียนเก็บบัตรประชาชนไว้กันเอาไม่ให้หนีออกไปที่ยนอกวัดแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้อยู่แค่ค้างคืนคืนเดียวเรา ก, ก็กลัว่าจะมาใช้ที่วัดเป็นที่โรงแรมที่พักก็อย่างน้อยต้องสามวัน จะอยู่ก็ต้องอยู่สมวันอย่างน้อยสมวันแต่ไม่เกินเจวันเพราะจะได้มีมีที่ให้คนอื่นสลับกันเข้ามาอยู่ถ้าจะอยู่กันยาวก็อยู่ได้ไม่มากเลยต้องมีการาให้อยู่ชั่วคราวอยู่ได้ไม่เกินเจวันเสร็จแล้วก็ต้องไปแล้วก็เว้นวักสักระยะหนึ่งแล้วค่อยกลับมาใหม่ จองที่พักได้มีเบอร์โทรศัพท์ของวัดยานาโทรไปจองที่พักก่อนลง่น้ัได้ถ้ามาแบบไม่จองก็ต้องตามบุญตามกรรมถ้าว่างก็มีอยู่ได้ถ้าไม่ว่างก็ต้องก็อยู่ไม่ได้ส่วนที่บ้านพักป่าไม้บนเขานี้ก็จองที่พักได้ เราก็มาอยู่ได้ครั้งละไม่เกินสิบสี่วันต้องหาอยู่ได้ถึง7วเจ็ดวันก็ไม่ทรบาบเหมือนกันอันนี้ไม่ได้ถไม่ได้สอบถามที่ที่ป่าไม้เขาก็มีค่าค่าน้ำค่าไฟค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมก็คิดเป็นคืนคือมีสองสองแบบแบบละสามร้อยกับแบบละสี่ร้อย สี่ร้อยก็ใหญ่หน่อยมีที่ที่อุ่นอาหารได้รับเป็นบ้านที่เราไม่ต้องออกไปข้างนอกอซื้ออาหารมาใส่ตู้เย็นเอาไว้ก็ได้แึงเวลาจะรอบประทานก็เอามีเตาไมโครเวฟให้อุ่นแล้วก็มีเป็นห้องปรับอากาศด้วย ก็เลยมันก็เลยต้องมีค่าใช้จ่ายสูงหน่อยส่วนสามร้อยก็เป็นห้องเล็กหน่อยไม่มีห้องเก็บอาหารเป้าหมายของการทำบ้านเหล่านี้ก็ให้มาปลีกวิเวกผู้หญิงจะไปอยู่แบบพระอยู่แบบผู้ชายในป่าโดยที่ไม่มีอะไรสนับสนุนมันก็ลำบาก ก็เลยต้องมีน้ำมีไฟมีอะไรมีความปลอดภัยพอสมควรเก็บตัวอยู่ในห้องได้ไม่ต้องออกมาข้างนอกอาหารจะซื้อมาใส่ตู้เย็นเก็บไว้แล้วอุ่นก็ได้หรือจะให้ที่คนที่เขาทางานป่าไม้ส่งอาหารมาให้ก็ได้ทําอาหารส่งมาให้ก็ให้ให้กินวันละเมือ คือสิบแปดแล้วก็ภาวนาเป็นหลักมาควบคุมความคิดมาหยุดความคิดความอยากองเช่นถ้าไม่รู้จะทำอะไรให้นั่งเฉยๆก็ได้นั่งให้สบายไม่ต้องนั่งขัดสมาธิไม่ต้องบังคับร่างกายนั่งเก้าอี้นั่งอะไรยืดยืดเท้ายืดแคงยืดขาได้ทำเมื่อย ลุกขึ้นมายืนก็ได้แต่ไม่ให้ไปทําอะไรไม่ให้ไปเดินไม่ให้ไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานอะไรให้สู้กับความอยากที่เรื่อว่ากามมาฉันทะอยากดูนั่นอยากฟังนี่อยากดื่มนั่นอยากดื่มนี่อยากกินนั่นอยากกินนี่ให้นั่งเฉยเฉยไม่ต้องทําอะไรคิดว่าเรานั่งรถไปเชียงใหม่แล้วกันนะ หกชั่วโมงน่นนั่งรถไปเชียงใหม่ทำไมนั่งกันได้พอให้นั่งอยู่ที่กุฏินั่งอยู่ที่พักเฉยๆไม่ทําอะไรไทำไม่ทําไม่ได้ถ้านั่งเฉยๆได้เราก็สบายไม่มีอะไรมากดดันบังคับให้เราต้องไปทำํทำนู่นทํานี่ทุกวันนี้เราอยู่ไม่เป็นสุขกันอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่แล้วต้องมีอะไรมาป้อนใจ ต้องมีรูปมีเสียงมีกลิ่น ม, มีรสมีสัมผัสอะไรต่างๆมาป้อนให้ใจเพลิดเพลินพอไม่มีอะไรป้อนก็หงุดหิดน้ำพานใจวุ่นวายใจว้าวุ่นขุ่นมมวหรือเสืมเศร้ า, ว, าว้าเหวเศร้าส้อยหงอยเหง า, หหงาแต่ถ้าเราชนะความอยากจะทำนู่นทำนี้ได้นั่งเฉยๆได้ พอความอยากที่จะทำํนทำนู่นทํานี่มันหยุดไปนี้อยู่เฉยสบายเป็นสุขไม่ต้องไปเสียเงินซื้อนู่นซื้อ น, อนี่มาดูมาฟังมากินมาดื่มเมื่อไม่ต้องใช้เงินก็ไม่ต้องไปทํางานหาเงินให้เหนื่อยยาก อ, อยู่เฉยสบายกินกั น, นอนก็พอกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินแล้วก็รอมันแก่มันเจ็บมันตายไป ตายเหมือนกันตายแบบดิ้นก็ตายเหมือนกันตายแบบไม่ดิ้นก็ตายเหมือนกันอยู่แบบดิ้นแล้วอยู่ไม่อยู่แบบไม่ดิ้นก็ตายเหมือนกันพวกเราชอบอยู่แบบดิ้นกันดิ้นไปหาเงนินหาทองหาชื่อหาเสียงหาข้าวหาของหาอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วก็ตายเหมือนกันพวกที่ฉลาดเข า, เาขี้เกียจไปดิน้นเขาก็อยู่เฉย ดูความอยากพอความอยากมันแพ้ไปก็ไม่มีอะไรต้องไปมันก็ไม่มีอะไรต้องดิ้นไปหาอะไรแล้วก็ตายเหมือนกันแต่ตายแบบไม่ต้องดิ้นตายแบบสบายอยู่แบบสบายแบบพระพุทธเจา้าพระหลานนี่ท่านไม่ดิ้นหาอะไรท่านไม่หาลาบยศสารเสญไม่หาเงินหาทองไม่หาชื่อหาเสียงไม่หาลูกเสียงกิ่นรด ไม่หาภรรยาไม่หาสามีไม่หาลูกไม่หาก้าวหาของกินมันละมื้อพอแล้วกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินรอไปจนถึงวันแก่เจ็บตายส่วนพวกที่สู้ความอยากไม่ได้ก็ถูกความอยากสะเอาไปซื้อกระเป๋ามาไปซื้อรองเท้ามาไปซื้อเสื้อผ้ามาไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่ ไปกินไปดื่มไปงานเลี้ยงคนนั้นไปงานเลี้ยงคนนี้ไปไม่รู้จักจบไม่รู้จักจบจากสิน้นไปกี่ครั้งดูกี่ครั้งฟังกี่ครั้งเที่ยว ก, กี่ครั้งก็ไม่พอสักทีกลับมาบ้านก็เหมือนเดิมกลับมาบ้านก็เจอความเบือ่อความซึมเศร้าต้องออกไปเรื่อยๆพอใช้เงินใช้ทองก็ต้องไปทางานหาเงินหาทองกัน หาการแทบเป็นแทบตายพ อ, อได้มาก็ใช้กันไปอย่างรวดเลยวออก็หมดกล้าไปหาใหม่หาได้มาก็ใช้ใหม่แล้วก็แก่เจ็บตายเหมือนกันตายไปก็ตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้เหมือนกันเอาไปได้ก็คือความอยากหรือความไม่อยากคนที่ไม่อยากก็ไปสบาย ไปแบบไม่ต้องกลับพระพุทธเจ้าพราห า, านนี่ท่านไปแบบไม่มีความอยากท่านไปแบบสงบแบบสบายไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่เพราะไม่มีความอยากที่จะมาหาหาทรัพย์สมบัติหาข้าวหาของหาเงินหาทองหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขเพราะความไม่อยากนี้ทําให้ใจมีความสุขในตัวความอิ่มความพอ ได้เวลาจากร่างกายก็จากอย่างสบายไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายร่างกายจะแก่ก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะเจ็บก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะตายก็ไม่เดือดร้อนส่วนคนที่มากเพราะไม่อยากจะจากเขาคิดว่าไม่มีร่างกายแล้วจะไม่มีความสุขเพราะทุกวันนี้ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข จะดูก็ต้องมีตาจะฟังก็ต้องมีหูจะกินก็ต้องมีลิ้นถึงจะรู้ว่ากินอะไรต้องมีจมูกไว้ดมกลิ่นของอาหารกลิ่นของอะไรต่างๆอันนี้พอขาดร่างกายก็ต้องกลับอาหารร่างกายอันใหมเพราะยังมีความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ชีวิตก็ต้องดิ้นกันไปดิ้นกันมาต่อสู้กับคนนั้นต่อสู้กับคนนี้แข่งขันกันแล้วดีไม่ดีก็ไปทำลายกันทำร้ายกันไปทำบาปกันนี่คือปัญหาของความอยากถึงสอนให้มาหยุดความอยากกันมานั่งเฉยๆอยู่กับที่ มืนมาลงโทษตัวเองเด็กๆ เ, เวลาเป็นเด็กนี่เวลาดืน่นนี่พ่อแม่เขาบางทีให้ไปนั่งที่หัวมุมเอาก็ไปนั่งที่มุมห้องแล้วก็หันหน้าเข้าไปมุมห้องไม่ให้ทำอะไรลงโทษถ้าเราฝืนความอยากหรือความอยากมันก็อ่อนกำลังแล้วมันหมดไปเองพอมันความอยากมันสกปรกตัวไปนี่ ใจก็สงบเย็นสบายความรู้สึกอึดอัดความรู้สึกเศ้าส้อยงอยเงาว้วาวเวยหายไปหมดเลยเหนือแต่ความเบิกบานสดชื่นแจ่มใสขึ <c> ้ <oughs> นมาเวลาความอยากมันหมดกำลังเนี่ยใจก็ใจก็เหมือนกับได้รับอิสรภาพจากการถูกกดดันด้วยอารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆ อารมณ์ต่างๆหายไปปั๊บก็เบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจดีกว่าไปเที่ยวดีกว่าไปทำอะไรเพราะว่าเวลาไปเวลาไปเที่ยวก็ ก, ก็ลดความอยากไว้ชั่วคราวพอกลับมาความอยากก็กลับขึ้นมาใหม่อยากจะไปเที่ยวใหม่ก็อารมณ์ไม่ดีต่างๆก็เกิดขึ้นมาใหม่ แต่ถ้าเราไม่ไปเที่ยวตามความอยากพอความอยากเที่ยวหายไปอารมณ์ที่ไม่ดีก็หายไปแล้วต่อไปความอยากไปเที่ยวก็ไม่มีอีกไม่มีอะไรจะมาคอยสร้างอารมณ์ไม่ดีให้กับเราอยู่บ้านได้สบายอยู่เฉยเฉยได้สบายไม่มีเงินก็ไม่เดือดร้อนไม่มีเงินเที่ยวก็ไม่เดือดร้อนไม่มีเงินซื้อข้าวซื้อของก็ไม่เดือดร้อนขอให้มีเงินกินข้าววันละมือก็พอ ซึ่งเงินกินข้าวเวลมื้อก็หาง่ายจะตายไปไม่กี่ตังค์ทำงานเดือนนึงก็อยู่ได้ปีหนึ่งแล้วถ้าหาถ้าหาเงินมาเพื่อที่จะมาจ่ายค่าอาหารอย่าที่ให้มาอยู่มาเปรกวิเวกกันเพื่อมาสู้กับความอยากแล้วถ้าเรามีธรรมะควบคุมใจได้ยิ่งยิ่งง่ายอยิย่งสบาย นั่งแล้วก็พูดโธพูดโธไปอย่าให้มันคิดถ้ามันไม่คิดความอยากก็ออกมาไม่ได้ถ้าปล่อยให้คิดเดี๋ยวว่าคิดถึงขนมคิดถึงเครื่องดื่มคิดถึงอาหารก็เกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดอารมณ์ไม่ดีถ้าไม่ได้ทำตามความอยากก็หนุดหิตลาคาญใจถ้าไปทำเดี๋ยวมันก็หยุดเดี๋ยวเดียว แล้วเดียวพอคิดถึงเรื่องใหม่ก็อยากใหม่ขึ้นมาอีกอันนั้นก็อยากกินกินเสร็จก็อยากดืมด่มดื่มเสร็จแล้วก็อยากดูดูแล้วก็อยากฟังฟังแล้วก็อยากนอนพอตื่นขึ้นมาก็อยากกินมาอยากมันก็อยากของมันอยู่ไม่รู้จักจบจากสิน้นเนี่ยเราต้องมาสู้กับมันอย่าไปทำมันถ้าจะกินก็กิน ด้วยความจําเป็นกินเพื่อร่างกายอย่าไปกินเพื่อความอยากก็ให้มันกินมันละหนเดียวก็พอถ้าจะดื่มให้มันดื่มน้ําเปล่าไปอย่างเดียวร่างกายต้องการน้ําเปล่าไม่มีรสไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่เป็นไรแต่ต้องมีน้ําหล่อเลี้ยงร่างกายเหมือนต้นไม้ต้นไม้ต้องมีน้ํามันถึงจะไม่เหี่ยวไม่เฉาไม่ตาย ร่างกายถ้าขาดน้ําก็เหี่ยวเฉาตายเหมือนกันแต่ขาดเบียร์ไม่ตายขาดเหล้าไม่ตายขาดกาแฟไม่ตายไม่ต้องใส่รถของกาแฟรถของเหล้ารถของเบียร์เข้าไปในน้ําเอาน้ําเปล่ า, ลาแล้วต่อไปก็จะไม่ติดเหล้าติดเบียร์ไม่ติดกาแฟไม่ติดกับเครื่องดื่มต่างๆ ไม่ติดกับรสชาติต่างๆกินอาหารไม่ต้องปรุงก็ได้ไม่ต้องใส่น้ำพริกน้ำปลาน้ำสม้มน้ำอะไระกินอะไรก็ได้กินเพื่ออยู่แล้วมันกินสบายกินง่ายถ้าอยู่เพื่อกินแล้วมันวุ่นวายถ้าอยู่เพื่อกินมันต้องกินอย่างมีรสมีชาติต้องปรุงต้องแต่งกันต้องเผ็ดต้องมันต้องหวานต้องเค็มสุดๆ กินแบบนี้กินเพื่อ itude, ความทุกข์ไม่ได้กินเพื่อความสุขกินเพื่อความสุขต้องกินแบบไม่ปรุงไม่แต่งกินเพื่อให้ร่างกายมันอยู่ได้ก็พอไม่ได้กินด้วยความอยากเมื่อ ya, ไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์ใจไม่มีความทุกข์ใจก็ จ, จะมีแต่ความสุขเนี่ยปัญหาตัวกาศายกาศที่จะทำให้ใจเราไม่มีความสุขกันก็คือความอยากในกามเนี่ย ก็เรียกว่ากามฉันทะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสกับสัมผัสต่างๆที่มาสัมผัสกับร่างกายเช่นอยากจะสัมผัสกับของนุ่มของเย็นของสบายของนิ่มไม่อยากจะสัมผัสกับของแข็งของร้อนของแหลมของคมอันนี้เป็นตัวกิเลส ที่จะทำให้ใจเราวุ่นวายไม่สงบต้องตัดมันอย่าไปอยากเสพอย่าไปดูอยากดูอย่าอยากดูนั่นดูนี่ฟังนูน่นฟังนี่ดื่มนั่นดืน่นี่เวลาอยากก็อย่าไปทาตามเท่านั้นเองวิธีที่จะทำให้มันไม่ทรมานก็อย่าไปคิดถึงสิ่งต่างๆความอยากมันก็จะหยุด เช่นพออยากอะไรก็ให้พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เราอยากอยู่กับพุโทโธไปเดี๋ยวความอยากก็หายไปเอาความอยากให้ไปตามสบายใจก็กลับคืนมาไม่ต้องมาอยู่ห่างไกลจากของพวกนี้เพราะอยู่ใกล้มันสู้ไม่ไหวอยู่ใกล้ทีวีเดี๋ยวมือมันก็ยาวมันยืดออกไปได้ไงไม่รู้ทีวีอยู่ตรงนู้นแต่เราอยู่ตรงนี้ทําไมมือเรามันยาวไปเปิดมันได้ มันาอยู่ที่ไม่มีอะไรที่ห้องพักนี่ไม่มีทีวีไม่มีอะไรให้ดูให้ฟังให้เราเอาธรรมะมาสู้กับอิเลตันหาของเราถ้าเรามีธรรมะเราก็อยู่อย่างสบายถ้าเราไม่มีธรรมะก็อยู่แบบทุกข์เพราะว่ากว่าความอยากจะหายไปแต่ละครั้งนี่มันโอ้โหแสนทรมาน แต่ถ้ามันหายไปแล้วก็สบายตา่อไปถ้าเราชนะมันครั้งเดียวต่อไปเราก็จะชนะมันได้เรื่อยๆเหมือนกับถ้าเราเอาเราไปชไปิงแชมป์ชนะแชมป์แล้วต่อไป mm. ลเลยเราจะสู้กับแชมป์กี่ครั้งก็สู้มันได้แต่ถ้าเรายังสู้กับมันไม่ได้กี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังจะสู้กับมันไม่ได้ต้องสู้กับมันให้ได้ต้องเอาชนะมันให้ได้ถ้าอยากจะชนะมันอย่างง่ายดายก็ เอาวิธีที่พระเจ้าสอนนี่ไปใช้ให้หยุดคิดให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวอย่าจะปล่อยให้ใจไปคิดถึงขนมนมเนยอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอไม่คิดถึงมันมันก็ไม่มีความอยากเกิดขึ้นใจก็จะว่างเบาสบายอานั่งเฉยเฉยก็รวมเป็นหนึ่งแยกออกจากร่างกายเลยเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียว ร่างกายหายไปจากความรับรู้ของใจรูปเสียงกลิ่นรสหายไปจากการรับากกา ร, รู้เหลืออยู่แต่ผู้รู้ตัวเดียวสักแต่ว่ารู้อยู่กับความสุขที่มหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีอะไรเหมือนในโลกนี้ผู้ใดได้เข้าสู่ความสุขของใจแล้วจะ <c oughs> ติดใจแลวจะเบื่อกับความสุขของรูปเสียงกลิ่นรส ยังไม่อยากเสพไม่อยากสัมผัสเพราะเห็นโทษของมันว่าเป็นเหมือนยาเสพติดเวลาอยากแล้วไม่ได้เสพนี่มันทรมานใจเวลาได้เสพก็ติดต้องเสพอยู่เรื่อยแล้วก็ต้องมีวันหนึ่งที่ยัไม่ได้เสพเพราะร่างกายมันจะต้องแก่ลงไปเรื่อยพอเจ็บไข้ได้ป่วยก็เสพไม่ได้พอตายก็เสพไม่ได้ ก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยถึงไม่อยากจะอยู่กันถ้ารู้ว่ารักษาไม่หายก็ขอตายดีกว่าไม่อยากจะอยู่แบบนี้ไปจนวันตายอยู่แบบไม่มีความสุขเพาอไม่สามารถใช้ร่างกายเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ก็ตายก่อนดีกว่าตายก็ไม่ได้แก้ปัญหาเพราะวาความอยากเสพก็ยังอยู่ กลับมาเกิดใหม่ก็กลับมาเสกใหม่กลับมาอยากใหม่จะ แ, แก้ปัญหาต้องแก้ด้วยการไม่อยากหยุดความอยากเสพ ต, ต่างๆหยุดความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอหยุดได้แล้วทีนี้มันก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายจะไม่สามารถเสพได้ก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่มีความอยากจะเสกใจก็สงบเย็นสบายอยู่เฉยๆได้ อยู่โดยที่ไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรถมาบำรุงบำรเรออันนี้เรียกว่าหลุดพ้นแล้วก็ไม่ต้องไม่ทุกข์กับร่างกายเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ได้ใช้ร่างกายแล้วร่างกายจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่ได้ใช้มันมันแก่มันเจ็บไม่ตายใช้มันไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อน ก็ไม่มีความอยากที่จะต้องใช้ร่างกายหาลูกเสียงกิดรดมาเสพนั่นเองเพราะเรามีความสุขที่ดีกว่ามรีรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงลถแห่งธรรมก็คือลถของความสงบความสงบที่เกิดจากการระงับความอยากต่างๆได้เวลาความอยากต่างๆถูกระงับลงไปความสงบ ก, ก็จะปรากฏขึ้นมารถแห่งธรรมก็จะปรากฏขึ้นมา นัตสันติปรังสุขขังก็จะเกิดขึ้นมาไม่มีรสอันใดไม่มีความไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะเหนือกว่าความสุขที่ได้จากความสงบของใจพวกเราไม่เคยเจอความสงบอันนี้ก็เลยต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ต้องมาทุกข์กับมันเวลาหาไม่ได้ก็ทุกข์อยากได้อะไรแล้วไม่ได้ก็หงุดหงิดลำคานใจบางทีก็โกรธ คนที่มาทําให้เราไม่สามารถทําตามความอยากเราได้อยากจะไปเที่ยวไม่มีเงินเลยไปยืมเงินเพื่อนเพื่อนไม่ให้ยืมก็โกรธเพื่อนเมื่อก่อนนี้ก็รักกันดีอยู่พออยากจะได้อะไรจากเพื่อนเพื่อนไม่ให้ก็ไปโกรธเพื่อนะถ้าไม่ได้อยากม่ได้เงนินเขาก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ได้พออยา ก, กแล้วไม่ได้ดังใจอ่ะกก็จะโกรธจะเกลียด โกรธคนนั้นเกลียดคนนี้นี่แหละฤิธิของความอยากจึงต้องมาฝึกฝืนความอยากกันสู้กับความอยากกันถ้าเราสู้ด้วยกำลังของเรานี้คง ส, สู้ไม่ไหวต้องสร้างกำลังขึ้นมาเพิ่ม ส, สร้างสติขึ้นมาเพิ่มต้องหม่นพุโทโธอยู่เรื่อยอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดแล้วเดี๋ยวก็อดอยากขึ้นมาไม่ได้ เดี๋ยวกาจะมาอยู่ห้าวันดีไม่ดีอยู่ได้วันเดียวขอกลับบ้านก็มีทนอยู่ไม่ไหวบางทีคิดถึงคนนั้นคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้โอยตายแล้วลืมปิดบ้านลืมลืมใส่กุญแจโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วต้องกลับไปแล้วยากอยากให้ของที่มีอยู่อยู่ต่อไปไม่อยากให้จากเราไป เราต้องหยุดความคิดให้ได้วิธีจะหยุดความคิดก็ต้องขยันพุทโธขยันสวดมนต์ไม här, ่ใช้พุทโธก็ใช้สวดมนต์ก็ได้ก็ใช้เฉพาะเวลาที่มันคิดเท่าถ้ามันหยุดคิดแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ถ้ามันไม่คิดถึงอะไรมันเฉยเฉยมันอยู่เฉยเฉยแบบไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้เราก็ไม่ต้องพุทโธพอมันจะคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้กับพุทโธขึ้นมา ต้องนั่งเฉยๆนั่งที่เดียวไม่ต้องไปไหนไม่ต้องลุกไปไหนเพราะลุกนี้ก็แสดงว่ามันอยากไปแล้วต้องผูกเป็นไวให้มันอยู่กับที่ให้มันนั่งอยู่ที่เก้าอี้นั่งอยู่ตรงที่ที่ไหนก็ได้ไม่ต้องทรมานนั่งกายตอนนี้ยังไม่ต้องถึงขั้นกับทรมานเพียงแต่ให้ทรมานใจทรมานความอยากให้นั่งเฉยๆนั่งสบายเมื่อไรก็ลุกขึ้นมายืนก็ได้ ยืนแล้วเมื่อยก็กลับลงไปนั่งใหม่แต่ไม่ให้ไปไหนให้นั่งอยู่ตรงนั้นเหมือนนั่งอยู่ในรถนั่งรถไปเชียงใหม่นอกจากเวลาจะเข้าห้องน้ำก็จอดรถแล้วเดินไปเข้าห้องน้าได้เข้าห้องน้ำเสร็จก็กลับมานั่งใหม่ขับรถต่อไปนั่งอยู่ ก, ก็เหมือนกันเรานั่งขับรถไปเชียงใหม่ก็คิดอย่างี้หกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงไม่ต้องทำอะไร แล้วต่อไปเราจะมีกําลังสู้กับความอยากถ้าเราทําได้ต่อไปเราก็นั่งแบบไม่ขยับตัวอะไรก็ได้เจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเราก็พุโทโธไปในขั้นที่สองขั้นแรกนั่งแบบไม่ต้องเจ็บขั้นต่อไปนั่งให้มันเจ็บแล้วก็ไม่ต้องไปขยับมันไม่ต้องไปทําให้มันหายปล่อยให้มันเจ็บไปมันจะหายเดี๋ยวมันหายเองเหมือนกับเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย เวลามันเจ็บไปทำางให้มันหายมันก็ไม่หายเดี๋ยวเวลามันหายมันก็หายเองแต่เราจะอยู่กับมันได้อยู่กับความเจ็บได้ถ้าเราอยู่กับความเจ็บได้ต่อไปร่างกายเจ็บเราก็ไม่เดือดร้อนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องกินยาแก้ปวดก็ได้เพราะเราจะอยู่กับความเจ็บได้ที่ต้องกินยาแก้ปวดเพราะสู้ความเจ็บไม่ได้กลัวความเจ็บ เลยต้องกินเพื่อให้ความเจ็บหายไปแต่คนที่ฝึกอยู่กับความเจ็บได้แล้วไม่ต้องกินยาแค่วปวดปล่อยมันเจ็บไปได้พูดโทไปพูดโทไปไม่ไปคิดถึงความเจ็บแล้วต่อไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยใจจะไม่เดือดร้อนใจจะสบายไม่เศร้าซ้อยหงยเหงาไม่ซึมเศร้าไม่คิดฆ่าตัวตาย ปล่อยให้มันตายของมันเองโดยธรรมชาติถ้ามันยังอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ถ้ามันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปแต่ใจสงบใจไม่มีความอยากกับมันไม่เดือดร้อนพอทาผ่านความเจ็บได้ขั้นต่อไปก็ไปทดลองผ่านความตายดูไปไปทาต่อสู้กับความตายดูกลัวอะไรก็ไปอยู่ที่นั่นกลัวที่ไหนก็ไปที่นั่น กลัวเสือกลัวมีกลัวงูก็ไปหางูหาเสือกลัวผีก็ไปหาผีให้มันมาฆ่าเรายอมให้มันฆ่ายอมตายไปฝึกยอมตายกันถ้ายอมตายแล้วเวลาตายจะไม่ทุกข์ถ้าผ่านได้ไปอยู่ที่หน้ากลัวแล้วหายกลัวแล้วต่อไปก็ไม่กลัวตายแล้ว ไปที่ไหนเราเกิดเจอความกลัวสุดขีดแล้วอย่างมากก็แค่ตายว่ายอมตายยังไงก็ต้องตายวันใดวันหนึ่งขอตายแบบนี้แหละตายแบบไม่กลัวต่อไปถ้าไม่ตายต่อไปจะได้ไม่กลัวอีกต่อไปพอไม่ตายแล้วพอไม่ไม่ตายไม่กลัวแล้วต่อไปก็อยู่อย่างสบายอยู่อย่างไม่มีความกลัวตายอีกต่อไปไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายไม่ต้องใช้ร่างกาย าหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอหมแต่ยังกลับมาอยู่เพราะยังยังไปติดร่างกายของคนอื่นอยู่ยังไม่ชอบร่างกายของคนอื่นอยู่ถึงแม้ว่ายอมตายยอมเจ็บแล้วแต่ก็ยังยังไม่ยอมยังไม่ยอมอยู่คนเดียวยังอยากมีแฟนอยู่ แ้ายังอยากมีแฟนอยู่ก็ต้องมามาปล่อยปล่อยแฟนให้ได้เลอกเลอกกับแฟนให้ได้วิธีจะเลือกกับแฟนก็ต้องก็ต้องดูว่าแฟนไม่สวยไม่งามอยากไปดูว่าแฟนสวยแฟนงามแต่เห็นว่าสวยงามก็เกิดความรักขึ้นมาต้องเห็นว่าแฟนนี่น่าเปลี่ยนหน้ากลัวเหมือนผีต้องดูตอนที่แฟนแก่ตอนที่หนังเหี่ยวหนังยน่น ตอนที่ผมขาวผมเงาตอนที่นอนตายอยู่นี่น่าเกลียดน่ากลัวคิดถึงตอนนั้นแล้วก็ไม่อยากจะอยู่กับแฟนนะเวลาแฟนตายไปนี่คืนนี้ก็ไม่ขออยู่ด้วยแนละ้วยกให้สับปเปลือได้นะเอาไปเลยต้องคิดถึงส่วนที่ไม่สวยงามของแฟนมองเข้าไปภ า, ภายใต้ผิวหนัง เอาหนังออกต้องต้องทำหนังให้มันใสเหมือนถุงพลาสติกด้วยเราจะเห็นว่าข้างในมีอะไรมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีลำไส้มีตับมีปอดมีหัวใจมีม้ามมีตับมีไตมีของสกปรกต่างๆมีเลือดมีอุจจาระมีปัสสาวะเต็มอยู่ในร่างกายนี้หมดถ้าเห็น ว่าแฟนไม่สวยไม่งามแล้วก็เลิกกับแฟนได้ไม่ต้องอยู่กับแฟนเนี่ยถ้าเลิกติดแฟนได้ไม่ติดกับร่างกายของเราได้ตายไปก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายใหม่อยู่ได้อยู่ได้โดยไม่ต้องมีร่างกายเพราะไม่มีความอยากจะมีร่างกายของเราก็ดีของแฟนก็ดีก็เลยไม่ต้องกลับมามีร่างกายกต่อไป ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปนี่คือเรื่องของการปฏิบัติของชาวพุทธเราเรามาปฏิบัติเพื่อปลดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจปลดปรืองความอยากต่างๆเพราะความอยากนี้ทําให้เกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมา อารมณ์ไม่ดีต่างๆนี้เกิดจากความอยากทั้งนั้นพอไม่มีความอยากเราจิตจะผ่องใสสบายสดใสแจม่มแจ่มใสสดชื่นเบิกบานสบายอกสบายใจจะล้องมาสุกหนอสุกหนอไปเรื่อยไมนเหมือนตอนนี้จะล้อมมาทุกหนอทุกหนอทุ ก, กับการขาดสิ่งนั้นขาดสิ่งนี้ เม็นไหมถือป้ายขอวันวันละสามร้อยแปดสิบเนี่ยทุกหนอทุกหนออยากได้เพิ่มจากสามร้อยเป็นสามร้อยแปดสิบนะนะความอยากพออยากแล้วมันก็อยากอะไรมากๆเดี๋ยไม่กี่ปีก็ขอเป็นสนะี่ร้อยแปดสิบเพิ่มไปเรื่อยๆต่อไปอีกร้อยปีก็ขอวันละสนะี่พันแปดร้อย ตามอยากไม่มีขอให้น้อยลงมีแต่ขอให้มากขึ้นขอได้เท่าไหร่ก็ยังอยากอยู่นั่นต้องขอให้มันน้อยลงเตอนนี้ได้สามร้อยขอให้เหลือสองร้อยขอให้เหลือร้อยเดียวขอไม่เอาเลยเงินเดือนขอลาออกจากงานขอไปอยู่เฉยขออยู่เฉยก็ไม่ต้องมีเงินเดือนเมื่อไม่ใช้เงินจะไปเอาเงินเดือนทาไม อยู่เฉยๆสบายมีคนเอาม า, ามีคนเอาข้าวมาเลี้ยงให้มาให้กินทุกวันคนที่อยู่เฉยๆได้นี่กลับมีคนชอบเอาเงินเอาเทองมาให้ใช้แต่คนที่อยู่ไม่เฉยนี่กลับแม่เขาคนที่อยากได้ไม่กลับไม่ให้เขากลับไปให้คนที่ก็ไม่อยากได้ <laughs> ถ้าอยากจะได้เงินก็อย่าไปอยากได้เงินนั่นเดียวมันจะมาเอง ไปบวชสิเดี๋ยวมันก็มาเองบวชสักยี่สิบปีเดียวเงินมันก็มาเองอแต่บวชใหม่ๆมันยังไม่มาเหมือนปลูกต้นไม้ใหม่ๆมันยังไม่ออกดอกออกผลปลูกไปห้าปีสิบปีเช่นต้นทุเรียนต้นอะไรนี่เดี๋ยวห้าปีสิบปีมันก็ออกดอกออกผลมาถ้าอยากจะให้เงินทองมันไหลมาเทมาเองก็ไปบวชสิสิบปียี่สิปีเดียวมันก็ไหลมาเทมาเอง ไม่ต้องไปเรียกร้องไปขออะไรมันมาของมันเองแต่มาก็ไม่รู้จะไปทำอะไรมาก็จะเอาไปให้คนอื่นเขาต่อให้คนอื่นเขาใช้ใช้ล้อมรู้ใช้ไปทำไมถ้าสู้ความอยากได้ชนะความอยากได้แล้วใจจะไม่มีอะไรมากดดัน ไม่มีอะไรจะมาทำให้เราซึมเศร้าไม่มีทำอะไรให้เรารู้สึกว่าเหวหงุดหงิดลำคาญใจแต่ช่วงที่ต่อสู้กันนี่มันทรมานใจมากถึงต้องใช้พุทโธช่วยถ้ามีพุทโธแล้วมันจะไม่มันจะไ ม, ม, ะไม่มันจะไม่ทุกข์ใจมากฉังนั้นพยายามขยันพุทโธไว้เถอะถ้าพุทโธได้มีสติหยุดความคิดได้มันก็จะหยุดความอยากได้ หยุดความอยากได้ความทุกข์ความหมดุดหงิดอารมณ์เสียต่างๆก็จะหายไปเวลาเกิดมีอารมณ์เสียขึ้นมาให้รีพุโทโธเลยนะอย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรพุโทโธไปอย่างเดียวสวดมนต์ไปไปอย่างเดียวอย่าให้มันไปคิดถึงเรื่องไข่รทั้งนั้นแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปถ้าเราขยันพุโทโธขยันสวดมนต์ต่อไปมันจะทำง่าย เพรเราจะชำนาญตอนต้นมันขี้เกียจพุดโธไม่อยากพูทโทเพราะมันมันไม่ชำนาญแต่ต่อไปพอเราทําบ่อยๆเข้ามันจะชำนาญพอเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็พูโทโธไปเลยสวดมนต์ไปเลยเดี๋ยวเดียวมันก็หายด mm hmm. นัพยายามขยันพุโทโธใหม่ๆหัดพุโทโธไปเรื่อยๆพูดโธพุธโทโธพูดโธไปอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ คิดแล้วเดี๋ยวจะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาเราจะทำให้อยู่ไม่เป็นสุขถ้ามีพุโทโธแล้วไม่คิดอพอไม่คิดไม่คิดก็ไม่มีอารมณ์วุ่นวายใจว่างใจเยน็นใจสบายอยู่อย่างมีความสุขอย่างสบายได้โดยไม่ต้องทำอะไรนี่คือวิธีมีาอยู่อย่างมีความสุขอย่างแท้จริงก็อยู่โดยที่ไม่ต้อง มีความคิดความอยากเมื่อไม่คิดไม่อยากก็ไม่ต้องทำอะไรนอกจากดูแลร่างกายไปตามอัตภาพเท่านั้นเองถึงเวลาก็ให้มันกินถึงเวลาก็ให้มันดื่มถึงเวลาก็ให้มันนอนนอกนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรทำไปก็เท่านั้นถ้าทำด้วยความอยากทำเท่าไหร่ก็ไม่พออยู่ดีกินกาแฟมากี่แก้ ว, วกินขนมมากก่ กีกครั้งนะพอได้ยังไม่พอหรอกกินอีกร้อยครั้งอีกล้านครั้งก็ไม่พออย่มกาแปอีกล้านเก้วก็ไม่พอคนขายสตาบัคมันถึงรวยนะเพรามันขายของที่คนติดกันกนะมาหยุดการมาฉันทะกันความอยากในะดรู้เสียงกลิ่นรสพุทธะ ถ้าจะกินก็กินเพื่ออยู่อย่าอยู่เพื่อกินกินพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอกินหนเดียวก็พอเวลาเอ่นก็มาพุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่าไปทำอะไรอย่าไปดูหนังฟังเพลงอยู่ไปอะไรต่างๆมันไม่มีวันจบมันสิ้นดูเท่าไหร่ก็ไม่พอดูของซ้ำก็เบื่อต้องเปลี่ยนใหม่ ต้องไปหาของแปลกๆปกใหม่ๆดูนี่คือการมาทำให้เราอยู่กันอย่างสุขอย่างสบายตอนที่มาปฏิบัตินี้มันทุกข์หน่อยเพราะว่ามันต้องต่อสู้กับความอยากแต่พอเราชนะมนแล้วก็เหมือนกันนักมวยพอชบคู่ต่อสู้ ล้มลงไปนับสิบแล้วก็โชกแขนขึ้นอสบายแล้วชนะมันแล้วทีนี้ไม่กลัวมันแล้วมันขึ้นมากี่ยครั้งก็ทุกมันลงไปได้ทุกครั้งพอชนะความอยากได้เราต่อไปไม่กลัวมันแล้วมันจะอยากยังไงก็สามารถดุดมันได้ฝืนมันได้แล้วก็อยู่อย่างสบายไม่มีอะไรมาลบกวนใจตัวที่รบกวนใจก็คือความอยากของเรานี่ะ ไม่ใช่อะไรแล้วพออยากแล้วมันใจมันก็ไม่สงบแล้วใจไม่เป็นปกติแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลานะจะอนุโ ม, มทนาให้พรวันนี้ต้องถามแรกนะครับแต่คุณจุธาทิพย์นะครับเขาบอกว่าทุกใจเหลือเกินเรื่องลูกไม่อยากมีชีวิตอยู่ แล้วค่ะท่านทําให้ลูกเป็นคนดีไม่ได้ก็ลูกก็เหมือนผลไม้ผลไม้ก็มีหลายชนิดใช่ไหมมีกล้วยมีสับ ป, ปะรดมีมะละกอคนเราก็เป็นเหมือนสับ ป, ปะรดมะละกอบางคนก็เป็นสับ ป, ปะรดบางคนก็เป็นมะละกอบางคนก็เป็นกล้วยบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ค่อยดีบางคนก็เลวนี่เราเป็นเจอคนเลวจะให้มันเป็นคนดีมันก็ไม่เป็นสิ พอไม่เป็นมันก็ทุกข์กว่าสิใช่ไหมแต่เจอมรรกออยากจะให้เป็นสัพพรสเงี้มันไม่เป็นมันก็ทุกข์กว่าสิอาจารย์ไหมอยากไปอยากมันเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไปถ้ามันอยากจะเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนเองเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้เราเพียงแต่สอนมันวิธีเปลี่ยนได้ว่าอยากจะแปลงตัวจากการเป็นมลรคอมาเป็นสัปพรสให้ทําอย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็จะกลายเป็นสัปพรดเองถ้าอยากจะเป็นคนดีก็บอกเขาว่า วิธีทำคนดีเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้อเราก็ทำได้แค่นี้แหละ <S <S เราไม่สามารถที่จะไปไปไปไปจับเข้ามาบิดเราบอกตอไปนี้เป็นคนดีน ะ, ะมันทำไม่ได้ถ้าอยากมันจะทุกเวลาไม่ได้นำใจอยากนั้นอย่าไปอยากแล้วเราจะสบายใจวิธีจะสบายใจก็มองว่าเขาไม่ใช่เป็นลูกเราหรอกเขาเป็นคนมาขออาศัยอยู่บ้านเรา พอเราตั้งท้องเขาก็เลยมาขอใช้ร่างกายที่เรากําลังตั้งอยู่ในท้องนี่มาเป็นที่อยู่อาศัยของเขาเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวเขาพอเ้าโตลแล้วเดี๋ยวเขาไปแล้วเขาก็ทิ้งเราแล้ ว, ลวเดี๋ยวเขาได้ลูกได้มีได้ครอบครัวเขาก็ไปแล้วจะไปอะไรกับเขามากมายทําไมเลี้ยงให้เขาโตลแล้วให้เขาไปได้เขาพอแล้วถือว่าได้บุญได้กุศลแล้วเรื่องอะไรมาทุกกับเขานั้มันเหนื่อยไปทําไมพอเราไปหลงคิดว่าเป็นของเราเป็นตัวเรา เราอยากให้เขาดีพอเขาไม่ดีก็เลยทุกข์ถ้าทุกข์มากๆเดี๋ยวก็อยากจะฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายก็ยังทุกข์อยู่นั่นแหละเพราะตัวที่ร่างกายมันไม่ได้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากความหลงของเราเราต้องมาแก้ที่ความหลงความอยากอยากไปหลงว่าคิดว่าเขาเป็นลูกเราคิดว่าเขาเป็นขอทานมาขอสายบ้านเราอยู่เราก็เลี้ยงดูเขาไป เราเขาโตแล้วก็ปล่อยเขาไปเขาจะดีจะชั่วก็เรื่องของเขาเรามีหน้าที่สอนเขาแล้วก็จบแล้วเราก็จะสบายมีความสุขได้ทำบุญได้เลี้ยงขอทานได้ช่วยเหลือขอทานส่วนมันจะดีหรือชั่วก็เรื่องของมันเราทำอะไรไม่ได้คำถามข้อต่อไปจากเขตปฏิบัติธรรมในสวนนะครับข้อที่หนึ่งลูกมีความตั้งป่าชนา ที่ต้องการจะบวชชีไปตลอดชีวิตตั้งความบารธนาเป็นเวลา 2-3 ปีแล้วแต่ยังติดปัญหาต้องผ่อนรถมีความเป็นห่วงแม่แม่ก็จะอยู่กับพี่สาวแต่มักมีปัญหากับพี่สาวบ่อยๆลูกขอความเมตตาหลบพ่อช่วยแนะนำแนวทางด้วยเจ้าค่ะก็ให้คิดว่าการบวชนี่ก็เป็นเหมือนกับเวลาที่เราตายนะฮะเวลาตายนี่เราไปทาอะไรให้แม่ได้เปล่า สมมติคิดว่าถ้าเกิดวันนี้เราไปเจออุบัติเหตุเราตายไปวันนี้แล้วแม่ทําอะไรได้เราไปทําอะไรให้แม่ได้หรือเปล่าเรื่องรถเ้าก็จะมายึดใครก็ ย, ยึดไปเวลาเราไปบวชเราก็ทิ้งทุกอย่างแล้วก็เราก็ไปของเราคิดว่าเราตายจากเขาไปก็แล้วกันข้อที่สองลูกเป็นผู้ปฏิบัติใหม่ในขณะที่ลูกนั่งสมาธิมีความคิดฟุ้งร้างไม่ค่อยมีสติหรือบางทีเผลอหลับโดยไม่รู้ตัว ลูกควรแก้ไขอย่างไรเจ้าค่ะก็ต้องมาสร้างสติก่อนนั่งเลยต้องฝึกสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาลืมตาก็พุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดด้วยเปื่อยพุทโธไปทั้งวันแล้วเวลามานั่งจะไม่ง่วงจะมีสติใจจะสงบถ้าไม่มีสติมานั่งมันไม่ได้ผลหรอกต้องฝึกสติก่อนอันนี้ยากนั่งไม่ยากหรอยากตรงที่มีสติแล้อไม่มีสติ ถ้มีสตินั่งห้านาทีจิตก็รวมนะคนที่เขาเคยมีสติมาก่อนในชาติก่อนนี้พอเขามาฟังวิธีนั่งสมาธิพอเขานั่งปุ๊บห้านาทีจิตเขาก็รวมเนี่ยแม่ชีแก้วเนี่ยลูกศิษหลวงปู่มั่นเนี่ยพอถามหลวงปู่ว่านั่งสมาธินั่งไงหลวงปู่บอกก็พูดโธพูดโธไปก็ไปลองนั่งดูพอนั่งห้านาทีจิตมันก็วุบตกหนุมตกบ่อไปเลยยมันอยู่ที่สติมันไม่ได้อยู่ที่การนั่งหรอก ถ้าไม่มีสตินั่งไปร้อยชาติพันชาติมันก็อย่างเงี้ยนั่งแล้วก็ง่วงนั่งแล้วก็ฟุง้งไม่ฟุ้งก็ง่วงแล้วก็เดี๋ยวก็ทนนั่งไม่ได้เดี๋ยวเจ็บก็ทนไม่ได้เพราะไม่มีสตินั่งแล้วก็คิดปรุงแต่งฟุ้งไปหมดคิดถึงคนนั่นคิดถึงคนนี้ต้องมาหยุดความคิดก่อนที่จะมานั่งนะหยุดด้วยพุโทโธพอลืมตาขึ้นมาก็ท่องพุโทโธไปเลยไม่ว่าจะไปทําอะไรก็ตามที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็ไม่ต้องคิด อาแต่พุทโธไปล้างหน้าแปลงฟันอาบน้ําแต่งเนื้อแต่งทัว่วกินข้าวในพุทโธไปแล้วรับรองได้เวลามานั่งมันจะสงบได้ง่ายคําถามจากคุณขันติพงศ์นะครับมีคนบอกว่าปัญญาวิมุตติจะเกิดขึ้นชั่วคราวที่พิจารณาเห็นไม่ทราบว่าจริงไหมครับการวิมุติเนี่ยวิมุติจริงๆมันก็ต้องวิมุติด้วยปัญญาทั้งนั้นแนหะมันวิมุติโดยอย่างอื่นไม่ได้ สมาธินี่มันวินมุตแบบแบบกดเอาไว้ไม่ได้ฆ่าไม่ได้ทำลายตัวที่จะฆ่าทำลายกิเลสได้ต้องเป็นปัญญาคำถามจากผู้ดูแลระบบเพจพระอริยะเจ้าท่านพระอาจารย์เคยเทศนาว่าพระพุทธรูปเป็นปูนปั้นสมมติขึ้นมาเปรียบเหมือนเป็นตุ๊กตาและบุคคลที่ลบหลู่พระพุทธรูปจะบาปไหมครับอาทิพวกชาวต่างชาติ ผู้หญิงที่แต่งตัวโปะ๊โปะแล้วปีนป่ายพระพุทธรูปหรือที่เขาเอาไปแต่งบ้านแล้วเหยียดแขนเหยียดขาใส่พระเสียงท่านจะบาปไหมครับไม่บาปหรอกเพียงแต่เขาไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธรูปเท่านั้นเองเขาไม่รู้ความหมายของพระพุทธรูปว่าเป็นอย่างไรเขาก็มองเห็นว่าเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งเท่านั้นเองแต่ถ้าเขารู้ว่าพระพุทธรูปนี้คือใครมีความหมายว่าอย่างไรเขาก็จะได้รับประโยชน์ เ, เขาจะได้พบกับคนที่ประเสริฐที่สุดในโลกที่นานๆานจะมาเกิดสักครั้งหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็จะได้สนใจ ส, สนใจที่จะศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าสนใจที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วถ้าเขาได้ศึกษาเขาก็จะเกิดศรัทธาแล้วเขาก็จะสามารถปฏิบัติแล้วเขาก็จะได้รับประโยชนจากการปฏิบัติคือเขาก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ แต่ถ้าเขาไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่สนใจคิดว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นตุ๊กตาลูกหนึ่งเขาก็ไม่สนใจที่จะศึกษาไม่สนใจที่จะไปะค้นคว้าว่าจะมีอะไรจากพระพุทธเจ้าเขาก็ไม่ได้รับประโยชน์ทนั้นเอแต่เขาไม่ไม่บาปการบาปนี้จะต้องเป็นการฆ่าไปถ้าเขาไปทุบทำลายพระพุทธรูปนี้อาจจะถือว่าบาปเพราะเป็นการเป็นทาลายทรัพย์สินของผู้อื่น เจ้าของทรัพย์สินก็สามารถมาแจ้งความตำรวจจับไปลงโทษได้แต่ถ้าเขาไม่เคารพเขาไม่สแสดงความเคารพนี้ไม่บาปแต่เขาไม่ได้บุญไม่ได้กุศลคนที่กราบเคารพก็จะได้ประโยชน์เพราะจะทําให้เขามีความศรัทธามีความเชื่อแล้วก็เขาก็จะศึกษาและปฏิบัติแล้วก็จะได้ผลจากการศึกษาและการปฏิบัติได้ คำถามข้อต่อไปจากคุณโมนีนะครับถ้าเราเจอสัตว์ป่วยหรือบาดเจ็บแต่เราเฉยไม่สนใจจะบาดใหมค่ครับอันนี้ก็ไม่บาดเหมือนกันแต่เพียงแต่ไม่ได้บุญเนีถ้าเราอยากได้บุญเราก็สงเคราะห์สัตว์ไปเอาไปรักษาเอาไปเลี้ยงคิดก็ชีวิตเขากับชีวิตเรานี้มีคุณค่าเหมือนกันถ้าเราเป็นเขาแล้วมีคนมาช่วยเหลือเราเราจะรู้สึกอย่างไร คิดอย่างนี้แล้วเราก็จะใจเราคนเราจะได้ไม่ดูดายมีความเมตตามีความการุณาเกิดขึ้นแต่ยกเว้นว่าถ้าเราไม่สามารถจะช่วยเหลือเขาได้จริงๆเราก็ต้องปล่อยวางเช่น mm hmm. อยู่ในสภาพที่รักษาไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องตายอย่างเงี้ย mm hmm. ก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็แล้วกันถ้าพาไปหาหมอได้ก็พาไปแต่หมอเขาบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วก็ ก็เลี้ยงมันไปให้น้ำให้ข้าวมันไปจนกว่ามันจะตายไปคําถามจะคุณชาลิตาถ้าเราจะเอาของที่มีอยู่ข้าวสารอาหารแห้งไปใส่บาตรแต่เราเลือกแต่ของที่เราไม่ชอบไปใส่จะบาปไหมคะก็ไม่บาปเองก็ได้บุญแต่ได้บุญน้อยกว่าให้ของที่เราชอบเพราะว่าการให้นี้เพื่อการตัดความยึดติดของต่างๆนั่นเอง ถ้าให้ของที่เราไม่ชอบเราจะไม่รู้สึกว่าเราเสีย เ, เสียเสีย <plicity. S 1> อะไรไปแต่ถ้าเราให้ของที่เราชอบนี่เราจะรู้สึกว่าเราเสียของที่เรารักเนีอ<ป>ถ้าเราเสียของที่รักได้ต่อไปเวลาเราสูญเสียของที่เรารักเราจะไม่เสียใจเข้ใา ok? ใจเช่นเรารักใครนี่เรายกให้คนอื่นได้ยกให้เขาไปเลย <k> เวลาต่อไปเกิดเขาจะทิ้งเราจากเราไปเราก็จะไม่เสียใจ เอ้นถ้าอยากจะได้บุญมากๆท่านถึงสอนให้ให้สิ่งที่เรารักมากที่สุดอย่างไหนที่เรารักมากที่สุดสิ่งนั้นล่ะจะได้บุญมากที่สุดอักสตางค์ไหมรักสตางค์มากกว่ารักเมียรักหวัวคําถามาจากคุณจิงทภ า, ทา น, นะครับ เรื่องรางสังขอนคืออะไรมีจริงหรือจิตปรุงแต่งคะก็จิตปรุงแต่งไปละบางทีก็ตรงออกับความจริงบางทีก็ไม่ตรงออกับความจริงเก็แล้วแต่บางคนอาจจะแม่นมในเรื่องรางสองขอนก็ได้อาจจะมีประสบประการมาเยอะพอมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเริ่มรู้แล้วว่าอะไรจะเกิด อ, อันนี้ก็เป็นเรื่องของความรู้ความสามารถพิเศษของจิตของแต่ละดวงที่ไม่เหมือนกัน คำถามจากคุณสุกุ้งนะครับเรื่องการปฏิบัติเราจะควบคุมภาพที่เกิดขึ้นตอนนั่งได้อย่างไรขอความใม้ตาด้วยใช่ไหมไม่ต้องไปควบคุมอย่าไปสนใจเวลานั่งนีให้อยู่กับพุโทโธอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้กํากับใจแล้วเดี๋ยวเรื่องต่างๆมันก็หายไปองนะ อ, ยอยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมไปอย่าไปสนใจอะไรจะมาก็ช่างมันถ้าเราอยู่กับพุโทโธไปเดี๋ยวจิตสงบทุกอย่างก็หายไปหมด คำถามจากคุณเฟิร์นตัวเองไม่สบายทํางานไม่ได้มาหลายปีทุกวันนี้ต้องขอเงินพี่น้องใช้ถ้าเราเอาเงินนั้นไปทําบุญเราจะได้บุญไหมคะเพราะเราไม่ได้เป็นผู้หันเงินเองถ้าเป็นเงินที่เขาให้มาแล้วเป็นของเราแล้วเราไปทำอะไรก็ได้เอาไปทําบุญก็ได้บุญเอาไปเล่นไพ่ไปไปกินเหล้าก็ได้บาป <c oughs> แล้วแต่เราจะไปใช้แบบไหน คำถามจะคุณการจนาคนที่มีอายุยืนเก้าสิบปีหรือร้อยปีแต่นอนป่วยติดเตียงดูแลตนเองไม่ได้ทางพุทธศาสนาถือว่าคนคนนั้นมีบุญหรือสร้างกุศลไว้มากจริงหรือเปล่าจึงมีอายุยืนยาวก็แล้วแต่จะมองคือการที่มีอายุยืนนี้มันก็มีเหตุปจัจจัยหลายอย่าง อันหนึ่งก็เรื่องของบุญถ้าทำบุญมาไม่ได้ทําบาปเนี่ยอายุมันก็ยายาวถ้าทําบาปอายุมันก็จะสั้นแต่มันก็ไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวมันยังมีอย่างอื่นนะเพราะว่ามันขณะเวลาที่เราอยู่นี่พฤติกรรมที่เราอยู่นี่ก็มีส่วนเรากินเหล้าเมายาหรือเปล่าเราสูบบุหรี่หรือเปล่าเราพักผ่อนหลับนอนพอหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มันก็มีส่วนที่จะทําให้อายุเราสั้นหรืออายุเรายืนยาวนาน การจะอยู่นานหรืออยู่สั้นนี่ไม่สําคัญทกากันได้ว่าอยู่อยู่แบบสุขหรืออยู่แบบทุกข์อันนี้สําคัญกว่าถ้าอยู่ยาวแต่ทุกข์ก็ก็อย่าอยู่ดีกว่าแต่ถ้าอยู่อยู่ยาวแล้วสุขก็ดีพระอาจารย์ครับถ้าเราให้โอกาสผู้อื่นให้โอกาสผู้อื่นน่ยในเบื้องต้นเนี่ยเป็นเฉพาะเมตตาใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราคิดต่อว่าเพราะอะไรเราถึงให้โอกาสเขา คิดไปในมุมที่แบบว่าให้พยายามให้โอกาสเขาเนี้ยครับอันนั้นคือปัญญาต่อใช่ไหมครับอาจารย์ก็ใช่ส่วนนึ้งก็เป็นปัญญาคิดว่าเราจะทำไงให้เขาได้มีความสุขมากขึ้นีนก็ใช้ปัญญาคำถามข้อต่อไปอาจากคุณหนุ่มนะครับจะจัดการกับความคิดตัวเองเรื่องปัญหาสุขภาพอย่างไรดีที่สุดครับเออ ทางที่ดีที่สุดก็คิดแบบพระพุทธเจ้าบอกว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าจะดูแลรักษาให้ดียังไงมันก็ต้องแก่เจ็บตายอยู่ดีนั่นอย่าไปพะวงกับมันมากดูแลเท่าที่เราสามารถจะดูแลได้ก็แล้วกันอย่าไปแบบสุดๆต้องกินอาหารแบบมังสวิรัติปาศจากสารพิษอะไรต่างๆจนกระทั่งจะกินอะไรไม่ได้เลยกินไอ้นู่นก็ไม่ได้กินไอ้นี่ก็ไม่ได้ ถ้าอย่างนี้อย่าอย่าไปอย่าไปดูแลแบบนี้ดูแลแบบพระนี่แหละเขาใส่บาตรอะไรมาให้ก็กินมันไปกินเพื่ออยู่ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ตายคแค่นี้ก็จบคําถามจะคุณจงซินีการที่เราใส่บาตรกับพระสมฆ์ปอมเพราะเราไม่รู้ว่าปอมแต่ใส่ด้วยศรัทธาเลื่อมใสเรายังจะได้บุญอยู่ไหมคะได้ถึงแม่รู้ว่าปลอมก็ได้เพราะก็เป็นการทําทานเหมือนกันทําทานกับ พระทำทานกับคารวะทำทานกับขอทานก็บุญเหมือนกันความสุขใจได้เหมือนกันแต่ถึงรู้ว่าปอมก็ไม่ควรส่งเสริมดีกว่าใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เพราะจะส่งเสริมให้เข้ามาทําลายศาสนาเพราะพระปรอมจะปฏิบัติไม่ดีและจะทําให้คนที่เขาไม่รู้เสื่อมศรัทธาในพระที่ดีได้คําถามจากคุณพัชรีนะครับวันนี้ตอนพักทานข้าวกลางวันลูกได้กลับบ้านไปหากับข้าวให้ยายกินเหมือนทุกวัน แต่วันนี้เจอตาคนหนึ่งอายุ83เดินในซอยแกแวะนั่งพักข้างทางเลยถามตาว่าจะไปไหนตาบอกว่าหาหลานแต่ไม่เจอกำลังจะกลับบ้านแพเลยบอกให้ตานั่งรถบินไปท่ารถทัวร์แต่ตาบอกไม่มีเงินเลยให้ตาไป200บาทไม่ว่าตาจะพูดจริงหรือไม่จริงถ้าเราให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์เราก็จะได้อานิสงส์แห่งบุญนั้นอยู่ใช่หรือเปล่าคะได้ได้ คำถามข้อต่อไปนะครับจะคุณศิริหรือวันนะครับถ้าต้องร่วมงานกับคนที่มีวาจาร้ายมีมานะความโลภ ก, ก็มากทําให้ไม่อยากเข้าใกล้แต่พูดคุยผิวเผินได้ยามเขาเดือดร้อนก็ไม่ช่วยเหลือสิ่งใดเว้น แ, แต่จะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจึงจะเข้าไปช่วยเหลือการปฏิบัติต่อคนแบบนี้เรียกว่าเราขาดเมตตาไหมคะหรือว่าเราควรจะเข้าไปช่วยเหลือเขาทันที ที่เขาเดือดร้อนโดยไม่ต้องให้เขาขอร้องแต่ทาแบบนี้พอดูจิตรู้สึกว่ามันไม่ยินดีในการให้ความช่วยเหลือเขาเลยค่ะก็ไม่เสียหายตรงไหนถ้าไม่ได้ไปช่วยเหลือเขาโดยถ้าเขายังไม่ได้ขอร้องถ้าเขาขอร้องแล้วไม่ช่วยเหลือนี่อันนี้อาจจะไม่ดีถ้าเขาขอร้องแล้วเราช่วยเหลือก็ได้ก็ช่วยเหลือเขาไปแต่ถ้าเราเขไม่ถ้าเขาไม่ขอร้องแล้วเราไปช่วยเหลือเขาได้ก็ยิ่งดีใหญ่ แสดงว่าจิตใจเรามีความเมตตามากแต่ถ้าเขาเขาไม่ต้องการรับความช่วยเหลือก็อย่าไปเสียใจก็แล้วกันก็ดึงใจกลับมาอยู่ที่อุเบกขาว่าช่วยเขาแล้วเขาไม่ต้องการก็แล้วไปเรามีหน้าที่ทําหน้าที่ด้วยความเมตตาเราก็ทําไปแต่ถ้าเขาไม่ยินดีที่จะรับความเมตตาของเราเราก็อย่าไปโกรธอย่าไปเสียใจ คำถามจากคุณเล็กนะครับอยากให้หลวงพ่ออธิบายเรื่องการรู้ทันจิต STR ค่ะก็รู้ว่าตอนนี้จิตโลภหรือเปล่าถ้าจิตโลภก็หยุดมันนี่แสดงว่ารู้ทันถ้าจิตโกรธ ก, ก็หยุดมันนี้ก็รู้ทันถ้าโลภแล้วไม่รู้ไปซื้อกระป๋องกระเป๋าเลยไม่รู้สึกตัวนี่แสดงว่าไม่รู้ทันเนี่ยถูกหลอกแล้วเสียงเหมือนจนมาป้นกระเป๋าไม่ใช่ขายปนแต่ไอความโลภนี่แหะมันป้นป ถ้ารู้ทันอ้าคุณจะมาป้านเงินกูเนี่ยว่า <c ười> คำถามจากคุณสายน้ำนะครับยาวนิดนึงนะครับเมื่อวานนั่งสมาธิเริ่มนั่งจิตชอบหลุดไปคิดก็พยายามดึงกลับมาดูลมหายใจสักพักก็เริ่มสง บ, ก, ก, สบ ก, ก็นั่งต่อไปสักพักก็หายง่วงและจิตเริ่มอยู่กับลมหายใจตลอดจนเริ่มเห็นลมชัดมากขึ้นและจิตไม่หลุดจากลมหายใจเลย จนเริ่มรู้สึกตัวลอยลิ้วและทุกอย่างนิ่งช่วงนี้จะไม่รู้สึกเห็นตัวตนผมก็ดูลมไปเรื่อยๆแต่สักพักไม่ถึงหนาทีทุกอย่างเริ่มถอนกลับมาเห็นตัวตนเริ่มรู้สึกถึงร่างกายมีปวดมีเมื่อยแต่จิตก็ไม่หลุดจากการดูลมเลยนั่งจนรู้สึกปวดทนไม่ไหวก็หยุดนั่งใช้เวลาทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงพอดี ขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะด้วยครับว่ามาถูกทางไหมครับและขอถามว่าเวลาที่เห็นลมชัดและจิตไม่หลุดจากลมแต่ก็ยังคงมีความคิดอยู่เช่นคิดถึงที่หลวงพ่อบอกให้ดูลมไปเรื่อยๆหรือคิดอย่างอื่นแต่ขนาดที่คิดก็ยังเห็นลมชัดและอยู่กับลมตลอดเวลา การที่เรายังมีความคิดขณะที่จิตยังคงจับจอกับลมหายใจคืออะไรครับเรี<ก>ยว่าจิตหลงไปคิดอยู่ไหมและต้องควรทำอย่างไรต่อไปก็ยังไม่สงบเต็มที่สติยังไม่มีกำลังที่จะจดจ่ออยู่กับลมเพลงอย่างเดียวยังแวบประมาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อยู่แต่เขาก็เรียกว่าเริ่มเข้าสู่ฌานละฌานแรกเขาจะเรียกว่ามีวิตกมีวิจารวิตกวิจารก็คือความคิดนี่แหละ แต่ถ้าเราจดจ่ออยู่กับลมไปเรื่อยๆต่อไปมันวิตกวิจารณ์ก็จะหายไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะเหลือแต่อุเบกขาวันนี้หมดแล้วครับพระอาจารย์หมดแล้วออดีนะเวลาก็หมดพอดีมีใครอยากจะถามอะไรไหมแม่มจาจับพยานไกลเลยแล้วเป็นไงโย่ฟังรู้เรื่องหมังรเรอไม่มีปัญหาอะไรนะฟังเทศพระอาจารย์มาเป็นปีแล้วค่ะปฏิบัตินะอ เ, เอาใจเอาให้เอาใจให้สงบได้นะ ใด้ความสงบแล้วทิ้งทุกอย่างได้ทิ้งลูกทิ้งอะไรได้หมดเลยไม่ต้องไปกังวลกับเขาทิ้งสมบัติทิ้งร่างกายได้ถ้ามีความสงบแล้วใจมีความสุขไม่ต้องมีอะไรก็ขอให้นาเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเพนิสพิจนาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด